ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปอปยุตโตตอนที่ยี่สบเอ็ดคิดว่าคงจะสรุปเรื่องตัณหากชันทะสตกีนี่ก็พูดกันมาเยอะแล้วอันนี้ก็เอาลักษณะสำคัญของความอยากสองประเภทนี้ ได้บอกแล้วว่าความอยากในทางธรรมะมีสองอย่างความอยากที่เป็นอกุศลเรียกว่าตัณหาความอยากที่เป็นกุศลเรียกว่าฉันทะนะะตัณหานั้นก็คือความอยากในเวทนาที่เป็นสุขแล้วก็เลี่ยงหนีเวทนาที่เป็นทุกข์มีลักษณะเป็นความชอบใจไม่ชอบใจ ก็ได้แก่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็สิ่งที่อยู่ในใจอารมณ์ในใจที่มันน่าพอใจในตัญหาก็เราแปลงง่ายๆเหลือความไยเสพกันละกันให้เข้ากับภาษาไทยทียนี้ส่วนชันทานนั้นเป็นเรื่องของความอยาก จะให้อยากจะรู้ความจริงของสิ่งต่างๆแล้วก็ก้าวไปสู่การที่อยากให้มันดีแล้วก็อยากทำให้มันดีแล้วก็เลยแปลงง่ายๆว่าอยากรู้อยากทำหรือว่าใยรู้ายสร้างสรรค์ทีนี้มาดูลักษณะที่มันต่างกันตัณหาีนบอกแล้วว่า มากับอวิชชาคืออาศัยอวิชชาเป็นตัวเอื้อโอกาสไม่ต้องมีความรู้อะไรหรอกไม่ต้องมีการเรียนรู้อะไรทั้งสิ้นสักแต่ว่ามีความรู้สึกคือว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นมันไปกระทบกับสิ่งที่สนองทําให้เกิดเวทนาที่เป็นสุขแล้วก็ชอบใจ อยากในเวทนานั้นนี้ถ้าหากว่ามีปัญญาขึ้นมาเกิดรู้ขึ้นมาอะไรเนี่ยอวิชาลดลงนี่ตัณหาจะถูกทอนกำลังดังนั้นมันจึงต้องอาศัยอวิชชาพอมีความรู้ขึ้นมาชักจะถูกทำให้ไม่มัน่นคงและตัณหาหรือว่าไม่แรงกล้า นี่ถ้ายิงไม่รู้นะมันก็ไปอยู่กับเรื่องของความรู้สึกเต็มที่แต่ความรู้สึกขึ้นมาอย่างน้อยมันก็เอ็งหันเหหรือว่าบางทีกลับทําลายอานาจตันหาไปเลยเช่นว่ารู้ว่าสิ่งที่จะเสพสิ่งที่ให้สุขเวทนาเนี่ยเป็นโทษกับชีวิตเป็นตน้นพอความรู้อันนี้มาไอ้ตันหาในบางทีหายไปเลยนะฮะ ถ้าแรงพอถ้าความรู้นั้นแรงพอนี่ก็เลยขึ้นแต่ว่าปัญญาหรือปัญญาเพิ่มขึ้นหรืออวิชามันลดลงมากน้อยแค่ไหนถ้าปัญญาความรู้มันชัดแจ้งเนี่ยมันจะทํำลายกําลังตันหาหมดไปเลยนี่คนที่ยังไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยด้านความรู้สึกนีก็ต้องให้ตันหาชักนําชีวิตไปเพราะฉะนั้นก็อวิชาคู่กับตันหา แล้วก็ยังไม่ปลอดพ้นจากปัญหานมันมักจะก่อให้เกิดปัญหาก็คือทุกข์แล้วเราบอกอวิชชาตัณหาปัญหาเรื่องอวิชชาตัณหาทุกข์นี่นี่ก็วงจรของมัน <c oughs> นี่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าฉันทะฉันทะนี่มากับปัญญาเริ่มมีความรู้ความเข้าใจขึ้นมาก็จะเห็นว่าเอออะไรจริงๆจะเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นคุณ แก่ชีวิตของตนเองเป็นต้นพอรู้ว่ามันมีคุณค่าเป็นประโยชน์เนี่ยมันเกิดฉันทะความพอใจมีความอยากในสิ่งนั้นขึ้นมาซึ่งแต่ก่อนอาจจะไม่เคยอยากอันนี้ก็ยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นเรื่องอาหารนะที่เคยพูดไปแล้วบอกว่านะกินอาหารก็มีกินสองอย่างคือหนึ่งกินด้วยตัณหาเพื่อเสพรสอร่อยกับกินด้วยปัญญานะ ซึ่งจะต้องการคุณค่าที่จะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตหรือทำให้สุขภาพดีกินได้รู้ว่ากินเพื่อสุขภาพแล้วก็เกิดความอยากในอาหาร<อ>ที่ทำให้มีสุขภาพดีคืออาหารที่มีคุณค่าอาหารที่อร่อยแต่เป็นโทษพอปัญญาเกิดขึ้น ก็ทำลายกำลังตัณหาทำให้ตัณหานี่เบาลงหรือว่าอาจจะหายไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็ทําให้อันในขณะเดียวกันพอปัญญารู้ว่าอาหารนี้มีคุณค่าแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยอร่อยแต่ก็สามารถเกิดความอยากได้อยากในอาหารที่มีคุณค่าเพราะว่ามันสนองปัญญา ไอ้ความอยากในอาหารที่มีคุณค่าเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อสุขภาพแข็งแรงเนะี่ยความอยากประเภทนี้เกิดจากปัญญามันสัมพันธ์กับความรู้ก็เรียกว่าฉันทะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องอาหารนี่ก็ก็เห็นได้ว่ามันมีจุดแยกระหว่างกินด้วยตัณหา ก, กับกินด้วยปัญญานั้นะจุดสําคัญก็คือตัณหานั้นอาศัยวิชาส่วนฉันทะอาศัยปัญญามา ก, กับปัญญานะฮะ นี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะทีนี้ต่อไปก็คือว่าตัณหาเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ชอบไม่ชอบมันจะได้รับการสนองมีความสุขจากการที่อาญตนะกระทบกับสิ่งที่เข้ามาสัมผัสกระทบแล้วกเกิดความรู้สึกเป็นเวทนากระจบเท่านั้น ไม่ได้อะไรจริงจังเมื่อเกิดการกระทบแล้วได้ความรู้สึกคือเวทนาแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรเข้ามาในเนื้อตัวของชีวิตเลยใช่เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นจากการกระทบแล้วก็ผ่านไปจบแต่ถ้าเป็นฉันทะใฝรู้ฝ่ดีมันได้อะไรเข้ามาในชีวิตขึ้นตัวเองเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนะ่นอย่าง ได้ความรู้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อตัวของชีวิตเลยใช่ไหมเราได้ความรู้น่ยได้การเปลี่ยนแปลงได้จิตใจที่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมีการพัฒนาขึ้นมาลักษณะนี้ท่านเรียกว่าเป็นภาวนาภาวนาก็คือการทําให้เป็นให้มีขึ้นมาเน่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เกิดคุณภาพใหม่ๆนีก็เรียกกันง่ายๆว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทนี้การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในภาษาไทยก็มาใช้สับสนภาษาเดิมคือคําว่าภาวนานี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพหรือพัฒนาเชิงคุณภาพทีนี้เรามาใช้ในภาษาไทยเราเอาคำว่าพัฒนามาใช้พัฒนาก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพใช่ไหมยุ่งเลยสับสนเพราะว่าในภาษาของพระนั้นพัฒนามาเป็นศัพ์สามัญ หมายความว่าขยายตัวเติบโตขึ้นมาเปลี่ยนคุณภาพไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะพัฒนาเช่นอย่างที่เคยพูดว่ากองขยะก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรียกว่ากองขยะนั้นพัฒนาขึ้นใช่ไหมไอ้นี้ไอ้ภาวนาในสิ่ที่ใช้ในสําหรับการเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขยายเชิงคุณภาพนะนั้นจะตันหามันก็อยู่อย่างนั้นแหะ ก็คือได้เสพรสอร่อยตาหูจมูกลิ้นมันก็เพิ่มจากปริมาณเพิ่มดีกรีขีดของความกระตุ้นเราในการเสพเป็นต้นแต่มันก็วนเวียนอยู่เท่าเดิมส่วนชันท่านี่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพสัมพันธ์กับการพัฒนาปัญญาปัญญารู้เท่านี้ไอฉั้นทานก็พัฒนาไปตามว่าเออเออสิ่งนี้ดีนะนะมีคุณค่าเป็นประโยชน์ ไอ้เจ้าฉันทาก็เกิดตามปัญญานั้นเดิมไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ฉันทาไม่มีถูกไหมต้องอาศัยปัญญาปัญญารู้ว่าเออดีถูกต้องมีคุณค่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันต้องดีจึงนี้อ่าเราก็เกิดความอยากตามนั้นฉันทาก็เกิดตามไปพอปัญญารู้ดีขึ้นว่าไอ้ที่เคยว่าดีมันยังไม่ดีจริง เพราะว่าปัญญานี่มีการพัฒนาใช่ไหมเออแต่ก่อนนี่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยดีแล้วโอ้ที่จริงมันยังไม่ดีแท้อย่างนู้นดีกว่าไอ้ที่เคยอยากก็ไม่อยากละเปลี่ยนไปอยากใหม่อีกเพราะนั้นไอ้เจ้าชันท่าเนี่ยมันตามพัฒนาตามปัญญามีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพนย่างเใช่ไหมไม่เหมือนตันหาตันหามก็วนอยู่แค่นั้นนะคือว่าได้เสพมากระทบอายตนะเกิดเวทนาขึ้นก็หมุนอยู่แค่นั้น นั้นชันท้าก็พัฒนามันุ่ยไปตามปัญญานั้นมันไม่แน่หรอกว่าแต่ก่อนนี้เคยว่าอย่างนี้ดีต่อไปก็อาจจะว่าโอ้มันไม่ดีจริงก็ชั้นทะก็เปลี่ยนตามปัญญาไปนะนี่เรียกว่ามีการพัฒนาเชิงคุณภาพก็เป็นภาวนานี่ก็ต่อไปก็จะเห็นลักษณะของตัณหาอย่างนึงว่ามันเกิดมีตัวตนขึ้นมาตัวตนอยู่ใน ความคิดหลงแต่งหรือความรู้สึกอ่าซึ่งมันไม่ได้มีจริงละ่ะเวลาจะเสพเนี่ยมันจะมีตัวตนขึ้นมารับเสพนแต่ฝ่ายฉันท่านี่ไม่มีตัวตนเป็นเรื่องของสภาวะธรรมความอยากให้ความอยากในสภาวะที่ดีมันก็ไปที่สภาวะนั้นอยากให้ภาวะนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าอยากเสพมันมีตัวตนที่จะเสพ นี่เราฉันทาเราก็อยากในภาวะนั้นให้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วอยากจะเข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นมันก็ไม่มีตัวตนขึ้นมาหรอกหรือว่ามันจะมีเป็นสภาวะแล้วก็เป็นองค์ประกอบของสิ่งนั้นนะัเช่อนอย่างว่าเรากินอาหารด้วยฉันท่าเราก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีใช่ไหมก็เป็นสภาวะ เห็นว่าสภาวะร่างกายอย่างนี้ดีแข็งแรงจึงจะดีหรือว่าให้องค์ประกอบหรืออะไรส่วนนั้นนั้นมันดีป็นเจาะไปที่ส่วนนั้นๆซึ่งเป็นเรื่องของการที่ว่ามันเป็นสภาวะของสิ่งนั้นๆัตรงนี้แหละมีจุดที่ซับซ้อนขึ้นมาถ้าเกิดมีตัวตนขึ้นมาปั๊บเนี่ยตันหาเข้าอาศัยทันทีเช่นว่า เรากินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนี่ตอนแรกเรามองได้ปัญญาใช่ไหมว่าโอ้ร่างกายมัคนควรจะแข็งแรงสุขภาพดีแล้ว ก, ก็การกินอาหารนี่ก็เพื่ออันเนี้ยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีนี่โดยสภาวะแท้ๆเป็นฉันทะอยากให้ภาวะนี้ดีเกิดขึ้นพราะว่าอยากให้แข็งแรงร่างกายสุขภาพดีสวยงามขึ้นมาปั๊บมีตัวตนเข้ามาเลยว่าเออเราจะได้สวยใช่ไหม นี่ตันหามาแหละก็ตัวสภาวะไงฮะตัวสภาวะเพราะว่ามันเป็นเชิงจุดหมายมากกว่านี่เหตุปัจจัยมันเป็นตัวเหตุที่กระทาใช่ไหมอันนี้มันเป็นจุดหมายจุดหมายที่ว่าต้องการให้สิ่งนั้นอยู่ในภาวะที่ดียังไม่สมบูรณ์ยังบกพร่องยังโทมอ่า ยังอ่อนแอก็อยากให้มันแข็งแรงมันเบิกบานมันแจ่มใสมันดีมันสมบูรณ์เลยเนี่ยนะอยากในภาวะนั้นก็มองไปที่สิ่งนั้นๆๆแต่ละอย่างแต่ละส่วนเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนมันเป็นสภาวะเข้าใจใช่ไหมแต่นี้พอเราเกิดตัวตนขึ้นมารับปั๊บนี่เข้าตันหาสนองเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้แหละในเป็นในภาวะปุตตชนเนี่ยไอ้ตันหาก็ันท่ามันจะมีการเกิด สลับกันอยู่แล้วเอาประโยชน์จากกันและกันได้ไอ้เจ้าฉันท่าเกิดขึ้นมาแล้วอ้าวไอ้เจ้าตันหาเข้าไปยึดเลยเน่เออเราตัวเราจะได้สวยงามคนเขาจะได้ชอบสวยมันก็การที่อยากอย่างนี้เพื่ออะไรมันนำไปสู่การเสพอีกใช่ไหมอ่านั้นไอ้เจ้าตัวตนจะเข้ามาทีนี้เพราะเหตุนี้แหละตันหามันจึงมีลักษณะหนึ่งการมาตันหา อยากในสิ่งเสพไงในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่พูดไปแล้วเนี่ยทีนี้มันขยายออกไปเป็นว่ามีตัวตนในภาวะที่ว่าจะได้เสพมันก็เลยอยากให้ตัวตนเรายิ่งใหญ่ตัวตนเราสวยงามตัวตนเรานี่ยอยู่ย่่งยืนตลอดไปจะได้มีโอกาสเสพมันเรื่อยเลยเนี่ยความอยากในอำนาจอะไรต่้งๆมานี่นี่แหละ อยากการมาตัญหาก็มีภาวะตัญหา อ, อยากในสิ่งเสพเพื่อจะได้เสพจึงต้องมีตัวอยู่เรื่อยๆไปที่จะเสพเพราะนั้นภาวะตัญหาก็เกิดขึ้นก็คือการอยากในภาวะที่ตัวตนจะคงอยู่ตลอดไปใช่มเพราะมันสัมพันธ์กับตัวตนมันมีตัวตนจะกเสพก็อยากให้ตัวตนนี้ยั่งยืน อยู่ในภาวะที่จะได้เสพอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัณหาก็ออกมาภาวะตัณหาแล้วก็ออกไปสู่วิพภะตัณหาอยากจะพ้นไปจากภาวะที่ไม่สนองการเสพความปรารถนานั้นแต่มีตัวตนทั้งสิ้นใช่ไหมการสาดโนะครับไหนตัฏหานี่คือการขาดโทนเพราะว่าตัณหานี่ก็คือภาวะที่ต้องการให้ตัวตนเนี่ยมัน มีเป็นมีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจไหมเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวตนที่คงอยู่ยั่งยืนตลอดไปให้ตัวเราที่เรายึดถืออยู่ในจิตเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะได้อยู่ในภาวะที่มันจะได้เสพได้มากมากเป็นตน้นใช่ไหมเสพอยู่ได้เรื่อยๆไปนี่ก็ในภาวะของตัวตนไงที่จะได้จะเป็นจะอ ย, งงนอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหม เข้าใจนะฮะช่วงนี้มันจะตึงตระหนที่ว่าสังขารก็ทํางานด้วยอ้าวกันก็เนี่ยก็สังขารก็ตัะหาักง้เราตระหนักเป็นสังขารอยู่แลยใช่ไหมตัะหาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นส่วนหนึ่งของสังขารอ่าเป็นจุดแรกที่มาจากเวทนาเป็นปฏิกิริยาต่อเวทนา<ม>ความรู้สึกนี่มันมีอย่างที่ว่าเนี่ยลักษณะที่สคัญข้อมันอันหนึ่งก็คือการมีตัวตนใช่ไหม พอเราจะเสพอะไรปั๊บตัวตนเกิดมีเสพแล้วมันก็จะมีการขัดแย้งได้ตามปรารถนาหรือไม่ทุกเธอเกิดมาเพราะมันมีตัวตนกันรับกระทบอยู่ไอ้ฝ่ายชันทะเนี่ยมันไปที่สภาวะอยากในสภาวะที่ดีมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมตามปัญญามันไม่มีตัวตนเกิดแต่ระหว่างตอนที่ว่าเนี่ยไอ้เจ้าชันทะ พอมันไปสนองอะไรที่มันตรงกับความต้องการของตันหาตันหาก็เข้ามารับใช่ไหมฮตันหาเข้ามาแล้วก็มีตัวตนขึ้นมาแล้วไอ้เจ้ตอนเนี้ก็จะกลายเป็นตันหาไปเพราะฉะนั้นต้องระวังสําหรับมนุษย์ปุตุชนนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่ตันหามันก็จะได้โอกาสอยู่เรื่อยได้ช่องเข้ามามันก็เอาละ่ะ นั้นก็ต้องระวังว่ามันไม่บริสุทธิ์หรอกชีวิตของปุถุชนเป็นแต่เพียงว่าทําไงจะให้ไอ้เจ้าฝ่ายฉันท์ธานเนี่ยมันเป็นตัวนําแล้วก็มีสติที่จะว่าคอยคุมตันหาไว้อ่าเพราะฉะนั้นก็เลยไปจะสู่อีกข้อหนึ่งก็คือว่าทั้งสองอย่างทั้งตันหาและฉันทา น, นี่จะต้องละด้วยกันทั้งคู่เนี่ย yeah. แต่ว่าละคนละแบบตัณหานั้นละเลยน่ไม่ต้องไปคำนึงมันที่มันว่าจะสนองความต้องการหรือไม่คือว่าถ้าเรารู้เข้าใจกับลดก็ละก็เลกิลกอะไรก็คุมมันแล้วแต่นะแล้วแต่ความสามารถของเราอืมนี่ถ้าเรายังเป็นปุตุชนมากก็อาจจะยัง ยอมมันบ้างแต่ว่าให้เจ้าฉันทามาช่วยดุลแต่นี้ฉันทานี่ท่านบอกละด้วยการทําให้สําเร็จตามจุดหมายของมันเนอละเหมือนกันแต่ละด้วยการทําให้สําเร็จตามนั้นหมายความว่าฉันทาเนี่ยมันอยากให้เกิดภาวะที่ดีอันนี้ใช่ไหมก็ทําให้มันสาเร็จตามนั้นนีกว่าดีกว่าละละด้วยการทําให้บรรลุจุดหมายของมันแต่ไอ้ตันหานี่ละ เลยมันเกิดขึ้นมาก็ละมันไปเลยแต่ถ้าตัวไม่สามารถก็ลดก็คุมอะไรต่างๆเข้าไปใช่ก็เห็นลักษณะที่ต่างกันใช่อนนี้ในแง่ของสุขและทุกข์ตัณหานั้ น, นก็บางทีก็ทำให้เกิดสุขสุขเวทนาเช่นได้เวทนาที่ชอบใจก็เป็นสุข ถ้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทุกข์อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าเจ้าตัญหานี่ทำให้มีความสุขทุกข์วนเวียนกับสิ่งชอบใจไม่ชอบใจแต่เจ้าฉันทา น, นั้นสามารถมีสุขทั้งจากสิ่งชอบใจไม่ชอบใจเช่นจากการเรียนรู้ใช่ไหมแล้วก็ตัญหาก็สุขจากการได้รับการบารุงบาเรอมาเสพตัวจะได้ไม่สบายก็คือไม่ต้องทำอะไรเป็นฝ่ายเสวยผลถ้าต้องทาก็คือทุกข์ฝ่ายชันธานี่ เพราะมันอยากทำให้มันดีเพราะฉะนั้นทำมันก็มีความสุขแต่นี้ว่าฉันทะก็ไม่ได้แล้วเป็นหลักประกันว่าจะพ้นทุกข์เพราะมันยังอยู่ในระยะของการพัฒนาความอยากให้มันดีนเพราะว่ามันแรงกล้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อย่างใจเป็นต้นใช่มนมันก็คาเกิดความเครียดอะไรต่างๆขึ้นมา อัราะนั้นตอนนี้มันก็จะสัมพันธ์กันเรื่องตัณหามันจะให้ช่องแก่ว่าพอเราอยากให้มันดีมันอยากในสภาวะนั้นเป็นฉันทะจริงแต่เสร็จแล้วในระหว่างนี้อาจจะเกิดตัวตนขึ้นมาว่าทำไมเราอยากให้มันดีมันไม่ดีใช่ไอ้ตัวตนเกิดขึ้นมานี่ทุกเกิดเลยเนี่ยทำไมมันยังไม่ดีนมันไม่ทันใจหรือมันไม่สมใจ ที่ปรารถนาให้มันดีไอปัญญารู้เหตุปัจจัยไม่พอที่จะเข้าใจใช่เจ้าตัณหาก็อยากให้มันได้อย่างใจของตัวใช่ก็มีตัวตนขึ้นมาอีกก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเลยใช่เพราะนั้นก็ยังไม่พ้นไปจากทุกข์ mm hmm. เพราะว่ามันยังอยู่ในระยะของการที่เรายังพัฒนาในใจศิกขาอยู่ถ้าพูดกันง่า ย, ายเนี่ยก็ ไอ้เจ้าตันหาก็ต้องการเพื่อตัวต น, นทีนี้เจ้าฉันทานนี่ต้องการเพื่อสภาวะที่ดีนั้นๆของสิ่งนั้นๆซึ่งมันเป็นเรื่องของสิ่งนั้นๆมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวตนไทีนี้าอาจจะมีมองๆอ ง, อ, งอย่างชีวิตของเราเนี่ยก็พูดให้เห็นง่ายๆว่าวถ้าเราปรารถนาแบบตันหา เราก็มีตัวตนเนี่ยปรารถนาเพื่อตัวตนตัวตนจะได้เสพรสอร่อยทีนี้ถ้าหากว่าเป็นฉันทานเนี่ยอย่างตัวเราเนี่ยมันเป็นการสนองความต้องการของชีวิตชีวิตนี่เป็นสภาวธรรมเพราว่าการต้องการเสพรสอร่อยของอาหารนี่เป็นความต้องการของตัวตนใช่ไหมเนี่ยแต่ความต้องไอ การอยากมีสุขภาพดนะีการที่มีสุขภาพดีนี่เป็นจุดประสงค์ของชีวิตนะใช่ของชีวิตนะชีวิตก็เป็นของตามธรรมชาตินะซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวตนอั น, นั้นความต้องการของชีวิตกับความต้องการของตัวตนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีขัดกันใช่ความต้องการของตัวตนก็อยากเสพรถอร่อยอยากได้อาหารนี้ แต่ถ้าเสพรถอร่อยนี้เช่นว่าปริมาณเกินไปกินมากไปนะหรือกินอาหารที่ผิดประเภทเป็นอาหารที่เป็นโทษก็มาทํำลายชีวิตถูกไหมนะไอ้เจ้าชีวิตไม่ต้องการมันต้องการอาหารที่มีคุณค่าในปริมาณที่มันเป็นประโยชน์แก่มันให้มันมีสุขภาพดีเจ้าชีวิตต้องการอย่างนี้แต่ไอ้เจ้าตัวตนต้องการเสพรถอร่อยเมื่อต้องเมื่อสนองความต้องการของตัวตนก็กลับไปทําลายชีวิตถูกไหม นีอันนั้น <loved> ทีนี้ถ้าต้องการสนองความต้องการของชีวิตให้มีสุขภาพดีก็กลับขัดแย้งกับความต้องการของตัวตนไอ้เจ้าตัวตนนั้นไม่ได้สมปรารถนาไม่ได้เสพรสอร่อยนเพราะว่าสนองความต้องการของชีวิตได้สุขภาพดีมันต้องกินอาหารจำกัดนี่ใช่ไหมจะกินเกินไปมันได้ไอ้เจ้าตัวตนนี่ขัดใจใช่หรือว่าจะกินอาหาร ไอ้ที่มีคุณค่าก็ไม่ค่อยอร่อยนี่ไอ้ชีวิตได้สนองความต้องการเขาชีวิตแต่ตัวตนอดใช่ไหนั้นปุตุชนมาอยู่ด้วยอวิชชาตันหานมันจะต้องขัดมีความต้องการที่ขัดกับความต้องการของชีวิตของตัวเองคือต้องการเพื่อตัวตนขัดกับความต้องการเขาชีวิตบางทีทำลายชีวิตเขาตัวเองเลยถูกทีนี้ถ้ามีปัญญามากขึ้น มันก็จะเรียนรู้ว่า<ม>อ๋อมันต้องสนองความต้องการของชีวิตสิจึงจะถูกต้องใช่ไหมกินเพื่อร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีกินอาหารในปริมาณนี้จํากัดแล้วก็กินอาหารที่มีคุณค่าอร่อยไม่อร่อยก็เป็นเรื่องรองลงไปใช่ไหมอันนั้นก็สนองความต้องการของชีวิตเพราะฉะนั้นเจ้าฉันทะก็ต้องการความดีความงามของชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราพูดได้ว่าฉันทะนี่ต้องการคุณภาพชีวิต ต้องการให้ชีวิตมันดีงามมันก็เกิดจากปัญญาที่รู้อ๋อน่ะแม้แต่วัตถุประสงค์ที่กินนี่ก็เพื่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตนะแล้วจะกินอะไรจึงจะให้คุณภาพชีวิตมีสุขภาพแข็งแรงนะั้ปัญญาทางนั้นเป็นตัวกําหนดแล้วฉันทะก็ตามไปส่วนไอ้ตัณหานั้นอยู่กับตัวตนที่มันไม่รู้อยู่ที่ไหนนะไอ้ตัวตนเนี่ยเชื่อไหมตัวตนที่ท่านว่าเน่ยอยู่ที่ไหนวางอยางนั่นสิมันไม่มีชัดออกมาใช่ไหม น่ยมันมีเนีมันโผล่ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนแหละมันมีขึ้นมาเลยยึดยึดขึ้นมาเพราะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าพอปัญญาเกิดเนี่ยมันไปที่สภาวะเลยไม่มีตัวตนอันนี้ตอนนี้แม้แต่ชีวิตของเรานี่เราก็เห็นได้ชัดว่าสายอวิชชาตัญหาจะมีตัวตนขึ้นมาน่ยแล้วก็สายปัญญาฉันทะก็จะมีแต่ภาวะของชีวิตนั้นนั้น นั้นแม้แต่ในคนเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดการขัดแย้งอย่างนี้ใช่ขัดแยงระหว่างกระแสวิชาตัญหาแล้วก็ปัญหาที่ว่ามาเกิดตัวตนขึ้นมาเกิดความขัดแย้งได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจนะทุกแต่ทีนี้ถ้าว่าถึงในแง่ของปัญญากระชันทะเนี่ยมันจะว่าไปตามสภาวะธรรมตามเหตุปัจจัยแล้วก็รู้ไปตามนั้นก็จบหมดเรื่องนะนี่แหละ แม้แต่ในชีวิตในการดําเนินชีวิตขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่แล้วมันมีมาตั้งแต่ในชีวิตประจําวันอันนี้เราจะเห็นว่าในการเสพเนี่ยคนเมื่อต้องการสนองความต้องการของตัวตนในตัณหาเนี่ยนะบางทีก็เออมันมันไม่ใช่บางทีมันบ่อยมันขัดแย้งกันระหว่างความต้องการของชีวิตกับตัวตนเช่นเรื่องอาหาร และเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องเพศกับมนกันอันนี้เราพูดกันได้ในสภาวะความเป็นจริงเราจะเห็นได้ชัดว่าคนต้องการจะเสพรสสัมผัสในทางเพศเสร็จแล้วไอ้ความต้องการของชีวิตที่จะสืบพันธ์ใช่ไหมเขาไม่เอาชูไหมไอ้ที่เขาสืบพันธ์เพื่ออะไรชีวิตมันต้องการ เป็นอยู่ใช่ไหมแต่ที่จริงมันซ้อนมามันมีไอ้ความปรารถนาของอัตตาลึกๆแต่เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ขั้นพื้นๆที่ปรากฏเอาชีวิตมันต้องการสืบพันธุ์แต่ว่าไอ้เจ้าตัวตนเนี่ยมันไม่ยอมให้มันต้องการเสพรสอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ป้องกันไม่ให้เกิดพันธุ์ใช่ไหมเนีมันจะเอาแต่รสอย่างเดียวอันนั้นก็มีการป้องกันด้วยวิธีต่างๆเยอะแยะไปใช่ไหมนี่มนุษย์ต้องการจะเสพรส ให้สนองตัญหาของตัวตนเท่านั้นนะไม่ต้องการสนองความต้องการของชีวิตแต่ที่จริงไงความต้องการที่แท้กว่านะั้นคืออะไรความต้องการของชีวิตใช่ไหมชีวิตมันต้องการที่จะสืบต่อต้องการที่จะแพร่พันก็คือสืบต่อฉะนันจึงเรียกว่าสืบพันกันแะไมันบอกชัดๆมันต้องการสืบพันนะแต่ว่าไอ้มนุษย์กลับไปขัดไม่ยอมให้มันใช่ไนะ่ะเอาแต่เสพรส เพื่อตัวตนของตัวเองเนี่ยเห็นชัดเลยความขัดแย้งกั น, นต่อไปก็อาจจะเป็นได้ว่าแม้แต่ทางลิ้นเนี่ยมนุษย์อาจจะหาทางใช่เนี่ยเสืเสพรถอร่อยสนองความต้องการของตัวตนต้องการสนองตัญหาโดยที่ว่าไม่ให้ชีวิตมันได้เพราะว่ า, าเพราะตัวเองชักรู้นี่ใช่รู้ว่าไอ้กินอาหารอย่างนี้ที่มันอร่อยเนี่ยมันไปทำลายสุขภาพอันนี้จะเกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นมา อาจจะเป็นได้นะคนสมัยต่อไปคิดหาวิธีเสพได้ลิ้นอร่อยโดยที่ว่าไม่ให้อาหารต้องเข้าไปในร่างกายใช่ไหมนี่แสดงว่าเรื่องของมนุษย์นี่ยุ่งพอสมควรเพราะฉะ น, นั้นมนุษย์ปุถุชนยุคนี้แกอยู่ในข้านิยมบริโภคแกก็สนองความต้องการของตัณหาในเชิงเสพเพื่อตัว ต, วตนเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีปัญหาซับซ้อนขึ้นมาอย่างเนี้ยน อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้พิจารณาต่อไปแม้กระทั่งเรื่องเกลืเรื่องอะไรต่างๆแล้วนั้นนะว่าโดยสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของตัว ต, วตวนกับความต้องการของชีวิตที่เป็นธรรมชาติตามสภาวะมันต่างกันอย่างไรอะไรเป็นของที่แท้จริงตามภาวะที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยภาวะชีวิตนี่ก็ตามธรรมชาติแต่ว่าไอ้เสร็จแล้วตัณหาความต้องการของตัวตนเนีน่ย มันไม่คำนึงถึงเรื่องของความต้องการตามสภาวะและอันไหนที่มันวิปริตน่ะก็เป็นข้อสำหรับเป็นเหตุผลในการพิจารณาจะทิ้งไ้แค่นี้ก่อนใช่ไหมมีอะไรสงสัยไหมครับคิดว่าวันนี้จะพูดสั้นๆก็เห็นลักษณะทั่วไปของความแตกต่างระหว่างความอยากสองประเภทที่เรียกว่าตัณหากับเรื่องฉันทะมีอะไรไหมครับ มาในแยกกันได้ชัดไหมครับชัดนะเนี่ยความอยากสองอย่างเนี่ยชาวพุทธแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นฐานเสียเลยใช่ไหมเพราะว่าไอตัวการปฏิบัติทําก้าวหน้าในธรรมสไตสิกขาเนะี่ยมันต้องอาศัยตัวฉันทานี่ครับอันนี้การที่ฉันทะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพก็คือสไตสิกขาใช่ไหม พอศิกษ า, าก็คือการพัฒนาเรียนรู้เป็นต้นพอมันสนองฉั้นฐานนี่มันได้เข้ามาในเนื้อตัวของชีวิตเลยเกิดการเปลีป่ยนแปลงในชีวิตจิตใจพฤติกรรมปัญญาความรู้เปลีป่ยนแปลงหมดแต่แอเจ้าตันหาอยู่นั่นแหละอยู่แค่กระทบใช่ไหมไม่มีอะไรเข้ามาในเนื้อตัวเลยเนี่ยกระทบได้ความรู้สึกจบกระทบผ่านกระทบผ่านพี่เด็กกับคุณอาจารย์บอกว่าทั้งสอง ว่าเออที่ผมเข้า ใ, ใจมี่เราควรจะต้องนะครับว่าตัวปัญหาเนี่ยมันต้องรักวันห่งมันต้องเป็นรัตถานละก็เป็นความคุ้นช้าไม่มีความคุ้นคยถ้าที่ฉันทนนัดเนี่ยต้องพูดในเรื่องแง่ว่าถ้ามันเป็นภาวนาไปเนี่ยถึงขั้นสูงสุดจะนําไปสู่เรื่อนครับก็มันเป็นตัวช่วยมันอยู่ในกระบวนการของไตรสิกขาคือไปรับฉันทัาได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าสู่ภาวาสสะสมงสุดแล้วใชครับเมื่อกี้พูด เพราะว่าละด้วยการทําให้สําเร็จจุดหมายของมันไงหมายความว่าจุดหมายของมันในกรณีนั้นคืออะไรใช่ไหมก็ทําให้สําเร็จตามนั้นก็ละมันใช่ไหมถูกไหมละเฉพาะกรณีไม่ใช่หมายความว่าละกันจนจบสิ้นเลิกไปเลยหมายความว่าละในกรณีนั้นๆฉันท่าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไงก็ต้องทําให้สําเร็จในหมายความว่าวิธีละ คือาละได้การทำให้สําเร็จตามนั้นเมื่อมันสําเร็จแล้วมันก็ละได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เจ้าตันหานี่ละได้การที่ว่าเกิดเมื่อไรกัละมันเลยว่างันนะแต่ทีนี้ว่าสําหรับปุตุชนนี่ก็อาจจะได้แค่ว่าคุมมันหรือบรรเทามันทําให้เบาบางลงหรือเอาฉันท่านี่มาดุลมาถ่วงนะ ที่มุ่งที่ว่าให้เห็นจุดแยกความต่างระหว่างสองด้านนั้นฉั้นท่าก็เป็นองค์ทำสำคัญในกระบวนการเข้จ า, ายสิทิ์ขาเพราะทำให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นในเนื้อตัวชีวิตของเราส่วนตัญหานั่นมันไม่ได้อะไร้ามาจริงจังอะกระทบผ่านกระทบผ่าน